ที่เราสวดมนต์เมื่อสักครู่สังเกตไหมว่าใจของเรามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่บทสวดมนต์หรือว่าใจลอยไปที่อื่นและความรู้สึกเราเป็นอย่างไรเราสวดมนต์ด้วยความสุขที่สบายเป็นปกติหรือว่ามีความรู้สึกหนักอกหนักใจ หรือว่าคุณเคืองใจอะไรบ้างหรือเปล่าที่จริงอาการสดมนนะก็ไม่น่าทําให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกใดๆนะหรือถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่สงบความรู้สึกที่เบาสบายได้ซ้ําแต่ถ้าเกิดว่ามีความหนักอกหนักใจหรือมีความขุนเคืองนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจหรอก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 แต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อมีสติอยู่กับการสดมนไปได้ตลอดหรือว่าไม่ได้มีใจเนี่ยหรือว่าตามติดกับบวชสมนไปได้ตลอดเดี๋ยวใจก็เผลอแว บ, บไปโน่นแวบบไปนี่นะเมื่อใจเผลอแว บ, บไปนะเรารู้ทันไหมนะแล้วรู้ทันนี่รู้ทัน อ่าเร็วหรือเปล่านะบางทีคิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วก็อ่าเพิ่งมารู้ตัวว่าเผลอไปหรือเพิ่งแล้วลึกได้ว่ากําลังสวดมนต์อยู่แล้วเราสังเกตเมื่อพอเราลึกได้นี่จิตมันก็จะกลับมาเลยนะจิตมันจะกลับมาที่การสวดมนต์ถึงแม้ว่า จะอยู่กับการสวดมนต์ได้ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวไปอีกนะแต่ไม่ได้ก็ตามที่จิตระลึกได้นะว่ากำลังสวดมนต์อยู่นยจิตก็จะกลับมาสิ่งที่ทำให้จิตระลึกได้เนี่ยอันนั้นคือสตินะความหมายหนึ่งของสติหรือหน้าที่หนึ่ ง, งสิของสติคือว่าระลึกได้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 มันจะเป็นธรรมชาติของอุปทานนะเพราะว่าเวลายึดเนี่ยเมื่อไม่มีสติมันยึดมาเป็นเราเป็นของเรามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็ก็จะไปสําคัญมาหมายว่าฉันโกรธความโกรธเป็นของฉันนะซึ่งก็ทําทให้จมเข้าไปในความโกรธนะก็จะถูกความโกรธมันเผาสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์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 มันก็เป็นปัจจุบันได้เหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันหรือปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยนะความหมายคือว่าสิ่งที่กาลังรับรู้นะหรือว่าสิ่งที่กาลังเกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงกิจที่กาลังทำอยู่ก็ได้นะความโกรธเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันธรรมได้ถ้าหากว่าใช้สติเนี่ยนะ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 ระหว่างที่เราขับรถเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้จเจริญสติได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราอ่ามีสติในการขับรถได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยสติเราก็จะเจริญนะหรือว่าจะพัฒนามากขึ้นนะิจริงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะสติเนี่ยจาเป็นสำหรับการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น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 ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเดินจงกรมไม่ได้แปลว่าจะต้องมาสร้างจังหวะเท่านั้นนะแต่ว่าทุกอิริยาบถ ท, ทุกกิจกรรมนะมันเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นกิจที่จะต้องมีสตินะเข้าไปกำกับอยู่ตลอดเวลาสมัยที่ไปปฏิบัติกับ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 หลวงพ่อพเทียทนตอบว่าทาทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนถึงเข้านอนเลยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหนักใจนะเพราะว่าแค่จะปฏิบัตินะเวลาเจ็ดแปดชั่วโมงนี้ก็รู้สึว่ามันเป็นเรื่องหนักแล้วนี่หลวงพ่อพเทียท่านท่านว่าให้ปฏิบัติทั้งวันนะทีแล้วเข้าใจว่าหมายถึงการปฏิบัติในรูปแบบ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 ทำความสึกตัวเวลาคลองสังฆาติเวลาอุ้มบาศเวลาห่มจีวรทําความสึกตัวนะเวลาคูเหยียดเคลื่อนไหวนะคูเข้าเหยียดออกนะทความสึกตัวนะเวลากินเคี้ยวดื่มลิ้มนะอุจจาระปัสสวะรวมไปถึงเวลาเดินนะยืนนั่ง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 ถ้าไม่มีสติใจลอยมันก็ลอยไปแต่พฤตะพื อ, พอจิตไม่กลับมาอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวสักทีเลิมจะรู้สึกตัวได้อย่างไรนะพอใจเผลอคิดไปนะซึ่งเป็นธรรมดาของมันสติรู้นะก็พาใจกลับมาแต่ที่บอกไว้แล้วว่าสติ น, ะน้าที่อันหนึ่งคือความระลึกได้นะส่วนใหญ่เราใช้สติ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 รู้ว่าจะมาจะมาวัดป่าสุโกโตนะมันก็ต้องผ่านแก้งคร้อนะแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าไม่ต้องผ่านแก้งคร้อก็ได้นะมาทางภูเขียวนะไอสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันตรงข้ามหรือมันผิดไปจากความรู้ที่เรารู้มาเราก็จะเถียง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 มนุษย์เรามีสติที่จะสามารถเป็นตาใ น, นให้เห็นจิตใจให้เห็นอารมณ์หรือรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ได้แลการที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สติหรือไม่ได้พัฒนาสตินะมันก็เหมือนกับว่าเสียของนะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าปล่อยให้ของดีมีค่าเนี่ยมันเปล่าประโยชน์นะ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 เราควรจะให้ความสำคัญเมื่อเห็นตนักว่าการภาวนาเนี่เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะก็ต้องนะไม่ลืมนะการเจริญสติการอาศัยหลักสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อสร้างตานานให้รวดเร็วฉัดไวและมีเครื่องคุ้มกันจิตอย่างแน่นหนามั่นคงเอาละคำนี้ก็พูกเท่านี้นะเอากรับคระ